ไม่ได้เสวยทุกโทมนต์อันเกิดแต่ราคะโทสะโมหะเนื่งเนืองสงัดจาักกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เมื่อตายไปก็เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์